ลักษณะของโลภะเป็นยังไงลักษณะของโทสะเป็นยังไงลักษณะของโมหะเป็นยังไงโลภะเวลาเกิดขึ้นนะเขาเรียกว่าโสภะนิมิตมีอยู่การใส่ให้ใจให้บ่อยให้มากคิดถึงอย่างนั้นบ่อยๆ อ, อันนี้เป็นอาหารของโลภะที่ยังไม่เกิดที่เกิดแล้วก็กำเริบเสบสางมากขึ้นเนี่ยนะก็คือ สุภานิมิตถ้าโทสะเกิดละปฏิฆานิมิตมีอยู่ถ้าโมหะเกิดอุเบคานิมิตมีอยู่อันนี้สังเกตได้เลยว่าสภาพจิตของเราเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเป็นกุศลนะง่ายๆก็ทานศีลภาวนานะ สรุปก็คือบุญกิริยาวัตถุสิบอันนี้เป็นรหัสเป็นนิมิตบอกว่าเป็นกุศลถ้าไม่เป็นไปกับกุศลกรมบทสิบก็เป็นอกุศลเพราะคิดโดยสุภานิมิตปฏิฆานิมิตและอุเบคานิมิตถ้าใส่ใจโดยสุภานิมิตเป็นต้นเนี่ยนะซึ่งโลภา8โทสะสองโมหสองกรรมเนี่ย กรรมที่ทําไว้ในอดีตนะนาสู่การเกิดทันทีสมมติว่าก่อนตายนะก่อนตายคิดด้วยอำนาจโลภตายก็ไปสู่อาบายก่อนตายคิดด้วยอำนาจโทสะตายแล้วก็ไปสู่อาบายก่อนตายคิดด้วยอำนาจโมหะตายแล้วก็ไปสู่อาบายอีกอยู่ดีบางคนก็พูดพอฟังมาอย่างนี้ปั๊บใครก็ไปอาบายกันทั้งนั้นอ่ะสิบอกแน่นอนโดยมากชัวป้าดเลย ว่ช่วงนี้ทำไมยุงมันชุมจังกม่รูนะ้นะมาสังเกตอย่างหนึ่งนะถ้าช่วงไหนฝนจะตกมากยุงมันจะดุไม่รู้ออกจากป่าไหนมามันกัดไม่เลือกเลยอะยุงมากจริงๆแค่ยุงอย่างเดียวเนี่ยนะเคยมีอยู่วัดหนึ่งเคยมีอยู่แห่งหนึ่งเขาตั้งเอาเครื่องแบบเปิดไฟลอ่อยุงแล้วยุงมันบินเข้าเป็นถังเป็นเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะเป็นเข้าเป็นเป็นซุ่มเลยว่างั้นเถอะกองยุงเนี่ยประเนินยังกับกองขยะ อ, อยู่ที่หนึ่งเขาตั้งเครื่องดู ด, ด, ดยุงเลยนะเครื่องไฟลอ่ยไอยุงโอ้ยแล้วมันเข้ามานะแต่ถ้าถ้าเป็นแบบตามบ้านต่างๆางมันดังป้อแป๊ะป้แปะใช่ไหมอันนี้มันแบบมีไฟแล้วมันบินเข้ามาหมดเล ย, ยงไง <อ S 1> มันเข้ามาตกเนี่ยนะเป็นถังอ่ะ<ไ>อก็คิดดูนะสมมติว่า เ, า, เาเราเราเราต้องคิดลักษณะนี้ถ้าส้ำลีมันกระจายออกไปนะถ้าส้ำลีที่กระจายกระจายกระจายออกไปนะถ้ารวมกันเยอะไหม แล้วถ้าพื้นที่แล้วยุงเอายุงมาเนี่ยนะบริเวณแล้วมันดูดมาทั้งหมดอะถามว่าจะเท่าไหร่โอ้บานเลยยุงเนีเ่ยบริการไม่เด่ ม, มันกัดจะยงานและยุงบานี่กัดไม่ไม่วิจารณ์ในแง่นั้นคน <c oughs> ละประเด็นทีนี้พันธุ์ท่าสายใจโดยสมมติถ้าเกิดในอบายนะถ้าเกิดเป็นพวกไรน้ําเป็นไข่ปลาเกิดเต็นปลาเป็นสัตว์น้ําเป็นต้นเนี่ยนะก็ลงยาวเลยพันธุ์โดยมากสัตว์โดยมากเนี่ยไปสู่อบาย ทนี้ความที่เรียกว่าเป็นสุภานิมิตปฏิฆานิมิตอุเบคานิมิตเนี่ยนะเขาก็แบ่งเป็น3ประเภทที่เป็นกรรมเนี่ยนะนึกถึงเจตนาของตนของตนได้ใช่ไหมก่อนตายนึกถึงเจตนาของตนของตนเจตนาที่เป็นอกุศลเจตนาบ้างคิดถึงคือสรุปว่าคิดถึงที่เป็นอกุศลเจตนา นึกถึงอะไรนึกถึงอาคุสลสิบสองก่อนตายชาวนาจิตมีอาคุสลสิบสองก่อนตายอ่นนะนะควรจะเกิดที่ไหนอันนี้เขาเรียกว่ากรรมะอารมณ์ไม่ดีเลยอ่นนะนะนึกถึงเจตนาที่เคยฆ่าไส้เดือนนไปไม่ดีแน่นี่จได้ครับระวังกครับคุณมนชคุณมนมีคูเลยเลย โอ้ระดับนี้เขาฉลาดคิดไม่แน่นะคิดไม่เป็นกันตัวใครกัตัวใครนะทำบุญหยาดน้ำให้บ้างเนื้ทีนี้มาดูว่านนี้คิดถึงอกุศลเจตนาไม่ว่าจะเป็นอกุศลเจตนาสิบสองมาจากอะไรก็ตามทีนี้ถ้าเป็นบางทีก็เป็นกรร ม, มอารมณ์อ่ขออภยัยกรร ม, มนิมิต อ่นนะนะกรรมมณีมิตก็คืออารมณ์หกที่เคยประสบมาเลยที่ผ่านมาทั้งหมดในชีวิตหมอแล้วถ้าเห็นเครื่องมือในการทําฟันนะ่ะควรจะเกิดที่ไหนดีนึกถึงก่อนวิถีสุดท้ายเลยนะมีเครื่องมือในการทําฟันหมอยุพินอาจจะไปดีก็ได้เพราะว่าเขาไปออกหน่วยบ่อยนึกถึงเครื่องมือที่ตอนออกหน่วยนะตอนทําบุญนะ อันนี้ก็เป็นแต่ไม่แน่นะแม้กระทั่งสมมติวนะ่เครื่องมือในการประกอบอาชีพเนี่ยถ้าใครมณสิการถึงว่าอาชีวะปริสุทธิหรือที่เรียกว่ า, อ, าอะไรนะศีลที่ปรารบอาชีพนะว่าอาชีพนั้นเป็นสุจริตแล้วปรารบวันนี้ไม่ต้องไปเรียกว่าไม่ต้องไปเปื้อนบาปอะไรนนะประกอบ เนี้ยเป็นสัมมาอาชีพที่ไม่เปื้อนบาปปรารภแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็เป็นกุศลศีลใช่ไหมเครื่องมือ น, นั้นเป็นที่ตั้งแห่งกุศลศีลก็ได้มันคุณพานึกถึงมอบเปไหนอ๋อถวายพระแล้วนะนึกถึงแจกันก็ถวายพระแล้วอืมก็เช่นก็เช่นนะีอาหารสัตว์นึกถึงอาหารสัตว์เนี่ยนะ อาหารสัตว์ก็แบ่งก็คืออารมณ์แล้วแต่มนั ส, สการในแง่สีในแง่กลิ่นหรือในแง่เสียงก็เป็นกรรมมณิมิตอารมณ์เออใช่เป็นกรรมมณิมิตอารมณ์อ๋อถ้าถ้าตัวนั้นเนี่ยก็เป็นมีสัตว์เป็นอารมณ์เนี่ยนะก็ก็เป็นลันกษณะกรุณามากกว่าที่ไม่ใช่ทานกุศลนะไม่ได้ไม่ใช่เป็นกุศลสายทานกุศล ถ้าเป็นกุศลเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่สายฐานนะกุศลหรือเอางี้ก็ได้ปักผ้าอ่านะถ้ามีปักผ้าเป็นอารมณ์อันนี้ก็เป็นอารมณ์ของนึกถึงอะไรนะพุโทโธก็ได้ดีแนะ่เนี่ยนะเนี่ยอาธรรมจักก็ได้ธรรมจักก็ได้อเจกกดีอ JD. โอเอาฉับ ก, กันอะ่ะ นิ่กายห้าโหทีมะสังอังคุได้หมดอะนะอันไหนก็ได้อย่างเงี้ยก็คือพวกนี้ก็จะเป็นเรียกว่ากรรมมิมิตอารมณ์ก่อนตายนึกถึงอะไรก็ได้นึกถึงนะนึกถึงพระาธาตุนึกถึงคืออุปกรณ์ในการทำบุญทุกชนิดอันนี้อันนี้ถ้าเป็นสายบุญนะอุปกรณ์ทำบุญ แนี้เรากําลังพูดบาปนะก็แสดงว่าอุปกรณ์ในการทําบาปทุกชนิดเพรันธุอาจารย์มินิตมีเบ็ดเป็นอารมณ์ก็เดื อ, รอดรนะ้อนแน่สุดานิเมติเป็นโลภะกับพ า, านิเมติเป็นตุศนนี่มันต่างกันยังไงอ๋ออันนั้นมัน เ, นเอาไว้ก่อน <laughs> เพรันธุอุปกรณ์ในการทําเช่นอุปกรณ์ของปานาติบาตอุปกรณ์อัทินนาทานอุปกรณ์การเมอุปกรณ์มูสาวอุปกร ณ, มกรณ์มีขวดสุราเป็นอารมณ์เป็นต้นเนี่ยนะแสดงว่า ไปไม่ดียมพ่ออย่าไปนึกเนื้อขวสุราไปไหนล่ะนึกแล้วก็โตไพรกับโตไพรเด้อลูกไม่เกี่ยวกรรมอันนั้นเป็นของพ่อแต่เพียงผู้เดียวาานะพวกนี้เครื่องมือในการทำอากูสนกรรมบททุกชนิดนะ น, นะว่า ภาพมีอะไรเป็นอารมณ์ก็นั่นแหละคือพบหม่ละแต่ก็มันมันมันถ้าถ้าเรียนธรรมะมาดีนะรหัสมันบอกหมดแล้วอ่านได้เลยว่าควรจะเกิดที่ไหนในบรรดาคตินะไม่ได้พูดตำแหน่งที่เกิดนะแต่พูดวควรจะเกิดในหมู่สัตตะนิกายกลุ่มใดควรนรกก็คติจำง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าสายโลภะก่อนตายโดยมากพูดโดยมากนะปริมาณมากเปร็ด สายโทสะก่อนตายโดยมากนรกโมหะก่อนตายโดยมากเดรฉ า, านก็มาคำนวณดูเลยว่าแล้ววิธีคิดยังไงจึงเป็นโลภะคิดยังไงเป็นโทสะคิดยังไงเป็นโมหะอันนี้ก็พยากรณ์ได้เลยใช่ไหมถ้าศึกษาดีๆหน่อยนะอ่านตัวเองได้หมดเลยว่าควรจะเกิดที่ไหนเวลารถติดคนเกิดที่ไหนรถติดเลยนะแล้วรถติดใช่เราก็โวยวายใหญ่อีกคันหนึ่งก็พุ่งมาเลยนะ รถวิ่งมาเฉพาะหน้าสวนเรามาเลยอย่างไงนะควรเกิดที่ไหนดีคุณประชูเอาไม่ได้เจริญเมตตาไว้ก่อนเลยเหรอ <c oughs> อันนี้แหละต้องเจริญเมตตาไว้ให้ดีบริหารจิตไว้ให้ดีๆไม่งั้นนี่ก็อ่านได้เลยว่าควรจะเกิดที่ไหนนี่ในหนึ่งนะอีกในหนึ่งก็คือคตินิมิตอันนี้เหมือนฝันฝันว่าเห็นอะไรก่อนตาย อันเนี้ยคือคือคือลักษณะกลุ่มเดียวก็เรียกว่าฝันแล้วตายเหมือนหลับตายไหลาตายนึกไปเรื่อยในอยู่ในโลกของจินตนาการแล้วตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาฝันเห็นอะไรเนี่ยนะหรือเขานึกถึงอะไรหรืออะไรที่มาปรากฏในห้วงจินตนาการเคลือ่อนเคลิ้องเขาอะ่ะควรจะเป็นอะไรนั่นแหละคือที่ไปของเขาเนี่ยนะฝันเห็นว่าสวนดอกไม้ในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอันนี้ไม่แน่นะ ว่ า, าจะ ก, กลุ่มผีเสือ้อกลุ่มอะไรอยู่แถวนั้นนะนะถ้าเป็นถ้าเป็นดอกไม้ในสวรรค์เขายัางชั่วนะนะถ้าเป็นดอกไม้หมู่มนุษย์นี่ไม่แน่ดอกไม้แบบในมนุษย์โลกเนี่ยนะเห็นเอยู่แต่ก็เยอะจริงๆอ่ะนะเดือดร้อนยาอยู่ประจำํำ ก, ก็คตินิมิตนะนะคือจริงๆแล้วโลภะก็นําไปสู่เดรัจฉานได้แต่เมื่อกี้ที่พูดไปก็คือโดยมากนะหรืออาจจะฝันเห็นที่ใดที่หนึ่งเขามีอีกในหนึ่งนะบอกอยู่ๆฝันเห็น ท้องของผู้หญิงมีภาพท้องของผู้หญิงขึ้นมาเนะเปอร์เซ็นต์เกิดในคันมันก็แล้วแต่ตำแหน่งที่นึกเหมือนกันนะก่อนจะตายเนี่ยแล้วแต่จะฝันอะไรนามินิตพอกำหนดได้ไหมว่ากำหนดเรื่องฝันได้แนะแ ก, ก็กำหนดคติยังไม่ได้ นี่ก็มาดูนะว่าซึ่งสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะคนชราที่ที่ก่อนตายเนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็อยู่ในโลกของความฝันใช่ไหมอยู่ในโลกของอะไรนะเตียงสุดท้ายเนี่ยนะหมายความว่าเขาอาจจะเปลี่ยนเตียงบ้างแต่ว่าล้มครั้งนี้ถือว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยนึกถึงอะไรในโลกของจินตนาการคิดถึงอะไรบ่อยๆเนี่ยล่องลอยไปในเรื่องใดอะนะประกาศได้เลยว่าควรจะเกิดที่ไหนถ้าจุติช่วงนั้นนะเนี่ยนะเอาอะไรมารับรอง อันนี้นี่ถ้าถ้าสายบาปนะแล้วในหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นมนุษย์โดยมากคิดอย่างนี้กันเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นไปไม่ดีซะเท่าแผ่นดินไปสุขติเท่าฝุ่นในเล็บนั้นคุณวิลาวันสาทยายพระสูตรเอาไว้ไม่นานจากรู้กันไม่ได้แช่งเล่าให้ฟังนทีนี้ถ้าเป็นมหากุศลอ่ะ มหากุศล8ปดเป็นไตกไริริยานึงทานศีลภาวนาทานก็คืออุปกรณ์ในการให้ทานใช่ไหมถ้า อ, อ, อารมณ์ของทานอันนี้เรียกว่ามองในแง่าอารมณ์อันนี้มองในแง่กุศลเจตนาก่อนตายนึกถึงอุปกรณ์แห่งการ อุปกรณ์ที่เราเคยให้ทานอุปกรณ์ที่เคยให้ทานเช่นให้อะไรไปก็ได้ให้แสงสว่างให้เทียนให้โคมไฟระเบียบดอกไม้ของหอมข่าวน้ำผ้าหวดยานพาหนะเป็นต้นเนี่ยนะก็ไล่อันนี้เรียกว่านึกถึงกรรมมณิมิตอารมณ์ น, นันใครที่ให้เจริญอะไรให้ทานเอาไว้มากะนะ อันนี้ก็ได้เปรียบนะก็จะได้ระลึกจากคาอุนสติเอาไว้ว่าเราเคยให้วัตถุนั้นเราก็เคยให้วัตถุนั้นเราก็เคยให้เคยให้เคยให้คใหโคโจรอย่างนี้ไว้จนชํานาญอันนี้ก็เป็นกรร ม, มานิมิตอารมณ์เป็นเป็นอารมณ์แห่งกุศล น, นะก็ไปดีละนั่นนะก็นึกถึงกรร ม, มานิมิตเป็นอารมณ์มันก็ปักผ้าก็ยั่ขี้เกียจได้ช่องเลยนะชป่ปักปักไปไหน ก็เป็นกรร ม, มนิมิตอารมณ์อุปกรณ์นะอุปกรณ์ทั้งหมดที่ที่เกี่ยวกับเรื่องการให้ทานนะเป็นกรรมะอารมณ์ขออภยัยกรร ม, มนิมิตอารมณ์เช่นว่าใครให้หนังสือให้ส ม, มุดให้ปากกาให้ดินซ้อให้ข้าวให้น้ําผ้าดอกไม้รองเท้าเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์แห่งการให้ทานถ้าวัตถุนึกถึงอุปกรณ์แห่งการให้ทานก็ไปดีแหละแต่ถ้านึกถึงอุปกรณ์อธินาทานนะ ไม่แน่ไงก็เอาบายนะสรุปนะนะถ้ามีแบงค์ร้อยเป็นอารมณ์เนี่ยตาวนมินิดควรเกิดที่ไหนเกิดในแบงค์ชาติเกิดที่ธนาคารก็คือคืออันนี้ที่ที่เรียกว่าฝึกฝึกซ้อมไว้นะฝึกฝึกคิดดูนะจริงซึ่งซึ่ง ถ้าใครไม่เอาเรื่องนี้มาคิดนะถามว่าผิดหรือถูกไม่กําหนดกรรมมาต่าเรียกว่าไม่ได้กําหนดปัจจยะเลยไม่กําหนดปัจจัยเลยเรียกว่าเห็นอารมณ์อ่านจิตได้ถ้าเห็นจิตอ่านพบได้อ่า น, นะสูตรของเขาไงนะเห็นอารมณ์เห็นอารมณ์อะไรก็ได้ในอารมณ์หกบอกจิตได้เลย ถ้าบอกจิตได้ก็เท่ากับบอกกรรมได้ถ้าบอกกรรมได้เท่ากับบอกพบได้เนี่ยนะในแง่นานักคันิกกรรมมปราปัจจัยก็สูตรเขาเป็นอย่างนี้จริงๆเห็นอารมณ์รู้จิตถ้ารู้จิตหมายถึงพบหรือดูจากพบก็ไล่มหาจิตได้แล้วก็สาวแปว่าคิดยังไงกับอารมณ์นั้นเนี่ยซึ่งไ อ, ไอตรงนี้แหละที่เรียกว่า เราต้องกําหนดชีวิตของเราเองว่าเราคิดถึงอะไรเราทําอะไรเราพูดอะไรแล้วแนวโน้มจะไปในลักษณะไหนเป็นต้นเนี่ยนะอ่าตรงนี้แหละที่เรียกว่าต้องเอามากําหนดเอามาคิดเอามาใข้โครคนเองซึ่งมันเป็นชีวิตของเราจริงๆคนที่ไม่เรียนก็คิดไม่เป็นคนเรียนก็คิดเป็นคนไม่เคยเรียนมาตอนตายไม่รู้จะไปไหนคิดไม่เป็นครับก็อยู่เขาก็ไม่ให้อยู่อยู่ละ คำหมายของคุณมุนมีก็บอกว่าคิดไปไหนไม่เป็นหมายความว่าคิดอะไรไม่เป็นน่ะนะแต่ไม่ใช่ไปไม่เป็นนรกก็ไปได้เนรชานก็ไม่จํากัดเทวดาก็ไม่ห้ามอะนะไปได้หมดอะนะเขาไม่ได้ห้ามไปหรอกกองพอทบทวนได้นะถ้าเป็นอุปกรณ์หรือนึกถึงเจตนาที่ให้นึกถึงเจตนาที่บริจาคไปอ่ะนะอันนี้ก็เป็นกรรมะอารมณ์ อันนั้นก็ ท, ที่ที่ในมนุษย์โลกที่เห็นเห็นเลยคือกรรมมะอารมณ์กับกรรมนิมิตอารมณ์อัน น, น้คุณหมอก็เอ3มีสามไปดีถ้าเป็นวัตถุแห่งศีลหละวัตถุแห่งศีล น, นึกถึงศีลใช่ไหมนึกถึงอ้าวเราเนี่ยนภาพูดถึงอแปดค่ำสิบห้าค่ำได้ดีแน่นะ แปค่ำสิ้าค่ำอย่างเงี้ยนะก็พูดป้นๆอยู่แถวๆเนี้นะได้ดีแน่ข้างขึ้นข้างแรมหรืออะไรเงี้ยนเป้วนๆอยู่สับๆเหล่านี้เนี้ยได้ดีแน่อุโบสถใช่ไหมถ้ารักษาอุโบสถเอาไว้มันก็ลึกถึงศีลหรืออุปกรณ์แห่งการรักษาศีลปานาติปาตาเวรมณีนึกถึงชีวิตของสัตว์เราก็นึกถึงศีลของเราได้ว่าเราเนี้ยสมาทานเพราะปานาติบาตไม่ใช่สมาทานลอยลมใช่ไหม เราจะให้อภัยทานแก่ชีวิตทั้งหมดหรือว่าปาณาติปาตาว่าไปเรื่อยให้มันหมดแค่นั้นรักษาอะไรรักษาเจตนาที่เกิดจากการฆ่าสัตว์ข้าวข้าแปลวิธีสมาทานศีล่างง่า ย, ายวา่าหนึ่งข้าพระเจ้าจะให้อภัยทานแก่ชีวิตของสัพพสัตว์ตทั้งหมดพันถ้าปารบคําว่าชีวิตเมื่อไหรได้ดีแน่ไม่แน่นะชีวิตเมื่อไร่ก็ปาณาติบาตอันนี้ไม่ดีแน่ แต่ท่านนึกถึงข้าพเจ้าให้อภัยแก่ชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหมดให้ชีวิตของเขาจงอยู่เย็นเป็นสุขกันนะอันนี้แหละเป็นศีลข้อที่หนึ่งศีลข้อสองข้าพเจ้าจะให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหมดทรัพย์สินของผู้อื่นทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นศีลข้อที่สองนึกถึงทรัพย์ของผู้อื่นตัวเองรักษาศีลไว้ดีแล้วใช่ไหมแต่วัตถุเดียวกันนะสมมุติว่าชีวิต ชีวิตเป็นอารมณ์เนี่ยนะมีศีลก็ได้ทุศีล ก, ก็ได้ใช่ไหมนึกถึงชีวิตเป็นอารมณ์นึกถึงชีวิตปลาก็แล้วแต่ถ้าอภัยทานแก่ปลามากหรือว่าคิดถึงตอนที่ทําปาณาติบาตกับปลาเรมายังงงอยู่นะนึกท่านนึกถึงเต่านะนาเต่า ไปเคยจับเต่าตั ว, ตวหนึ่งมาเท่าพวงมาลัยเลยนะแล้วก็จับมันไปเก็บว่าเอ๊ะพวกเขาไปทําอะไรแลพวกเขาเอาไปฆ่าเลยแล้วก็มีส่วนกินเนื้อกับเขาด้วยเหมนกันนะแต่ว่านึกถึงเต่าเอ้ยไม่แน่เหมือนกันนะเขามีคนให้เต่ามาสามตัวปล่อยแล้วก็ปล่อยเต่าสามตัวก็ดูว่าท่านึกถึงตัวใหญ่ไปไม่ดีถ้านึกถึงตัวเล็กๆอาจจะไม่ดีแค่ที่ปล่อยมันตัวเท่านี้เองนะที่จับมาตัวเบืมเงแรกเท่าพวงมาลัยรถนะเริ่องแร มันก็ก็ชีวิตอย่างเดียวเนี่ยแล้วแต่นึกอะไรเอาตะนิ่มตัวใหญ่เนี่ยเวลานี้เขาขายตะนินมเนี่ยเขาขายแบบดีกว่าเขาเเป็นเป็นมือเป็นเป็นมือตะนิ่มมันตายยากเขาจะับน้ำป็นน่น้ผมก็อาบแบบแบบแบบนี้ฮะเป็นชั่วโมงก็ไม่ตายนะครับแล้วซื้อไปปล่อยต้องต้องไปปั๊มหัวใจมัน มวมันวนตอนที่มันอ้วๆนั้นมันมดมันเียไไม่ไหวมั่วนมันกเนี่ยปล่อยปล่อปลาเป็นทานนะก็ถ้ามีชีวิตนั่นแล้วแต่ว่าจะมีชีวิตไล่มาเรื่อยนะมดปลวกยุงแมลงไล่มาเรื่อยพวกปลาพวกหมูพวกหมาพวกปลาพวกไก่ตลอดถึงพวกสัตว์สูงขึ้นไปจนถึงหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่ามสิการอะไร ถ้าคนรักษาศีลมาดีบอกให้ชีวิตเป็นทานใช่ไหมศีลคือให้ชีวิตเป็นทานถ้าใส่ใจไว้แบบนี้บ่อยๆจนเจตนาตัวนี้มีกำลังนึกถึงเมื่อไหร่ก็เรามีศีล น, นะนึกถึงเมื่อไหร่ก็ศีลของเราเนะเพราะฉะนึกถึงชีวิตของใครก็ได้คือศีลอารมณ์ของศีลของเราะนะก็เอามาเจริญอย่างนี้ก็แล้วกั น, นนะเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนะครับอายุก็มากๆแล้วนี่นะฮะ ควรจะปล่อยสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์หละครั้งนะฮะดูนี้ผมห่างไปนานเพราะว่ามัวแต่ว่าบําเพ็ญเพียรทางใจเอาเวลาเพราะว่ามันเสียเวลาแต่แ้วคิดว่าสิงนั้นทํามาเยอะแล้วนะฮะแต่ทํามาเยอะๆเนี่ยดีครับนะฮะผมว่าท่านทั้งหลายที่ยังไม่เคยทําก็ควรทําเสียนะฮะทุกทุกวันพระหรือ ถ, ถ้าทุกวันวิเศษเลยคงจะทําไม่ได้หรอกนะฮะซื้อปลาซื้อเตาซื้อจิ้งรีซื้อ ยา yeah, ซื้ออะไรพวกนี้นะซื้อกุ้งซื้อกบซื้อเขียดอะไรเนี่ยอึง่งสารพัดแลนพวกนี้ผมเคยปล่อยโอะเขาจกาแล้วไปปล่อยปล่อยทุกวัน ป, ปล่ก็จมาทุกวันไม่รู้เปารุไปปล่อยมันจมาให้ปล่อยทุกวันพันธะเราเนี่ยนะก็ให้ชีวิตเป็นทานก็อาจจะปารบในลักษณะนั้นก็ได้นน ซึ่งถ้าเป็นบางคนก็ให้ชีวิตคนเป็นทานเลยนะก็คือช่วยเหลือชีวิตเขาได้อย่างอย่างพระราชามหากษรักริ์เนี่ยเขาให้ชีวิตเป็นทานจริงๆเลยนะก็คือปล่อยนักโทษใช่ไหมปล่อยนักโทษนะเขาเรียกว่าให้ชีวิตเป็นฐานให้ชีวิตมนุษย์เป็นทาน s <S นั่นนะก็ก็ถ้าบางทีก็แล้วแต่ปรารบถ้าปรารบในแงนใ่ให้ให้ชีวิตเป็นทานให้แบบอันะให้แบบนั้นก็เรียกว่าเป็น เป็นทานกุศลก็ได้เป็นศีลนกุศลก็ได้ก็แล้วแต่น้อมมานสิการคือกําลังคิดไหมอยากจะให้ทานสัตว์ใหญ่ๆสักสักก่อนตายนี่น ะ, ะก็ยังไม่ค่อยมีโอกาสเลเช่นว่าเพราะมันทํายากมากใช่ไหเช่นบัวเช่นควายอะไรพวกนี้น ะ, ะซึ่งไม่ใช่ทาง่ายน ะ, ะต้องไปหาต้องไปซื้อแล้วต้องไปให้เขาที่มีไอ ธนาคารกระบือ้อธนาคารบัวอะไรเนี่ยนะที่เขาต้องเอาไปเลี้ยงหรือว่าไปใช้งานนะฮะถ้าไปซื้อที่ลงค่ามัวิเศษเลยอย่างปรามันเนี่ยซื้อมาจากตลาดนี่กําลังจะค่ากบนี่กําลังจะค่าอยู่นะฮะเลยเวลาชี้เลยไหมไม่ค่อยกล้าชี้ตัวไหนเลยเขาบอกพราสงสารไอ้ตัวอื่นไม่ได้มาบุงทีเลยซื้อต้องเป็นกำมังเลยก็น้อไปนะ สรุปว่าถ้ามีชีวิตนะใหะ้ตัวที่เบาที่สุดที่เราสามารถทำได้เลยคือปรารบเป็นศีลเนี่ยะว่าวัตถุนั้นคือวัตถุแห่งศีลของเรานะวัตถุนั้นเป็นวัตถุแห่งศีลของเรานะตัวนี้จริงๆแล้วก็บุญก็ไม่ได้น้อยอะไรเลยถ้าถ้าหมัน่นปรารบบ่อยๆนะวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นก็เป็นวัตถุแห่งศีลของเราที่ เอาเงินไม่ตายฟื้นขึ้นมาก็ถ้าทําด้วยกุศลก็ไม่น่ามีปัญหาก็เป็นบุญอยู่แล้วนะถ้าปรับด้วยกุศลจิตเนี่ยนะคือตอก็ฟื้นขึ้นมาดีใจไหมดีใจเออดีแล้วก็ยินดีด้วยนะใช่ทีนี้ถ้าเป็นทั่วไปอีกนะถ้าเป็นวัตถุข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะถ้าเราสมาทานศีลไว้ดีเนี่ยวัตถุทั่วไปทั้งหมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ข้าวของเครื่องใช้สมุดปากานาฬิกาเว้นตาอะไรทั้งหมดเลยถ้าสปาร์รบวัตถุนี้เป็นวัตถุแห่งศีลของเรานะศีลตัวนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าสรรเสริญจาริศีล ส, สมาทานหรือว่าต้องวิรัติเฉพาะหน้าจึงจะสรรเสริญสรรเสริญให้มันสมาทานนะมันสมาทานบ่อยๆแล้วเลือกถึงว่าเราได้สมาทานความงดเว้นจากอารมณ์ทั้งหลายสมาทานงดเว้นจากอารมณ์ทั้งหลาย เน่ก็ถ้าเป็นศีลประเภทที่สามก็คือเพศตรงข้ามเนี่ยนะนึกถึงแล้วก็นึกถึงศีลของเราได้ไหม น, นะว่าเรามีศีล น, นะเรามีศีลกับทุกวัตถุเหล่านั้นเหล่านั้นนะทีนี้วัตถุแห่งคําพูดแหะที่ที่เราพูดถึงทั้งหลายเนี่ยเราเราได้ปรารบไว้นะว่าเราจะพูดถึงทุกอย่างด้วยความสัตย์จริงเราจะพูดถึงทุกอย่างด้วยไม่สอเสียด พูดถึงวัตถุทุกอย่างด้วยไม่คาหยาบเป็นต้นเนียนะตั้งสมาทานเอาไว้เลยนยี่ะยมพ่อก็เล่าทุกขวดข้าพเจ้างดเว้นทั้งสี่สิบยี่สิบดีกรีกรี่ดีกรีสาโทน้ำขาวเว้นหมดอย่างเงี้ยตอนนึกก็อย่างนงี้ะผมรักษาศรรษีและโดนด่าก็มี เขา อ, อู๋ไม่กินนะผมผมไม่กินกลเป็สพกินเห ล, ล้าว่าเป็น น, ดดน้าตัมียอะไรนูโดนด่ากินเหล้าไม่เป็ น, นถ้าหมันระลึกไว้อย่างนี้บ่อยๆนะเพราะว่าว่านึกถึงเจตนาของตนของตนอันนั้นเป็นอะไรอารมณ์กัมมะอารมณ์วัตถุที่เราวัตถุที่ที่เราเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งศีลเรียกว่ากัมมนิมิตอารมณ์ ถ้านึกถึงตัวสีและกุศลก็เป็นกรรมมะอารมณ์กรรมมะอารมณ์หรือเจริญเมตตาเอาไว้มากๆก็ได้นะถ้าใครเจริญเมตตาสมมติถ้าเป็นสายพรหมิหารเนี่ยนะนึกถึงสัตว์ทุกชนิดคือปิยมนาปะของเราทั้งหมดเอาอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของของอะไรของเมตตานะนึกถึงสัตว์หรือนึกถึงตัวเมตตาที่เราเคยเคยเจริญเอาไว้ หรือกรุณาหรือมุทิตาหรืออุเบกขาที่ที่เราได้ประลบเอาไว้นี้สายหนึ่งอีกสายหนึ่งที่ควรเจริญเอาไว้ก็คืออนุสติทั้งหลายพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติเทวตานุสติเป็นต้นเนนะี่ะแ ล, ะล้วึกถึงอนุสติที่เราเจริญเอาไว้อั น, นั้นก็นึกถึงตัวกุศลอ น, นั้นพวกนั้นก็เป็นกรรมอารมณ์ นนะกรร ม, มอารมณ์มันถ้าพูดถึงคําว่าพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่เราได้ดีแน่นนะก็อันนั้นแหละพวกนั้นก็เป็นกรร ม, มะอารมณ์เป็นต้นมันก็เจริญเอาไว้เถอะเงี้ย น, นะแล้วก็เจริญเจริญเอาไว้เถอะทีนี้ถ้ามันแยกแยะอย่างนี้ได้บ่อยบยบ่อย บ, อยบอยนะีฟังแล้วก็กรยิมพอกใหม่ ดีเหลือเกินมนุษย์เทวดาเออไม่ห่างอริยสั์มากด้มไหมห่างหรือไม่ห่างเอาถิงทุกอันนี้จะขอถือเอาทุกอันมายแหมพูดถึงสวรรค์ก็เคลิมกันเลยนะแหมพอใจกันมากนะขอเกิดดีนะขอเกิดดีขอชาติติทุกอันมาอ่านนะ เอาไหมเท่าเดิมทุกอย่างเลยคุณตุจินเอาไหมเท่าเดิมหมดเลยไม่เอาอีกนะอา้าวเขาก็ปรารถนาจะถ้าเป็นทั่วไปเขาก็อยากเป็นพยาบาลเป็นอะไรกันทั้งนั้นไม่ใช่เหรอไหนเอาไหมคุณหมอยูพินมาเป็นหมอฟันตามเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมหมดไม่เอาอีกอ้าวเขาก็ปรารถนามนุษยสมบัติกันทั้งนั้นนี่ไหนจานแดงเอาไหมได้เท่าเดิมไม่เอาอีกโอแล้วใครจะเอาบ้างนะผู้ ก, การโอ้ยเป็นขนาดนี้ไม่เอาอีกเหรอ ว่อย่างดีแล้วนะใครก็อยากเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นแหละคุณมูลชูได้เท่าเดิมหมดเลยกระเบียดนิ้วหมดไม่เอาอีกนะเฮ้ยคุณอารีเผื่อจะเอามาั้งเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอาอีกนะเอาขนาดเอาคัดมาอย่างดีแล้วนะที่เรียกว่าสมบูรณ์พูนสุขมีบ้านมีรถมีที่ทํากินไม่เดือดร้อนเป็นต้นนะใครๆก็อยากได้อย่างงี้กันทั้งนั้นส่วนใหญ่นะะเจ้าของก็ยังไม่เอาอี ก, ก น, นะเ นี่ขนาดว่าถามว่าทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยคือผลแห่งบุญนะคือผลแห่งบุญแม่ครูเท่าเดิมเอาไหมไม่เอาแต่ว่าพูดจริงๆแลวนะชาติต่อไปมันไม่ได้เหมือนเดิมหรอกเชืเอ่อครักเช่นพระพุทธศาสนาก่อให ม, ม่มีอะไรก็ไม่มีแต่พูดแบบพูดรวมๆมนะเท่าเดิมเอาไหมถามอาตมาเอาไหมบอกไม่เอานะไม่เอาเหมือนกัน